นั่นกันศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอ็มพี่สามแจกนาะเอาไปฟังเอาเพื่อการศึกษาแต่เอาไปไหนแม่นเอาไปแขวนอะไรแมงวันหรือบ่นเอาไปแขวนไรแมงวันนบวัวใดแถวๆนี้คันผุดไอ้มีเครื่องฟัง่งอย่าไปเอาไปเนะ่ะคันผุดไอ้มีเครื่องฟัง่งอย่าคอยเอาไปนี่อย่าคอยมารับเอาไปหลวงพ่อเนี่ยบูรุษ ป, ปีเนี่ย แต่แต่ละปีนี่มีคนเขาทําที่ทําถวายนะเอ็ีสนี่ปีนี้เขาเสนอมากก่ะนะตั้งเก้าแสนกว่าคนไะอ้ก็ถึงมาแจกจัดทายาญโยมใดนี่นะออเขาจุดเหตุมาแจกจะเอาของหลงตาอของหลวงตาประมาณห้า0 0พันตลับขั้นพอถึงพันตลับนี่เขาบริษัทเขาจะบรเหารไทยราคาแพง การตั้งแต่พันตรลับขึ้นไปราคาทีโถกเพราะนั้นจึงเหตุราคานั่นเขามาแจกหลวงพ่อเองก็คิดว่าแจกขนมบ่าแจกยังสู่แจกธรรมะพอได้เพราะว่าแจกธรรมานี่มันเม็ดพอเป็นัานว่าแจกเอมพี่สาแจกขนมกินเม็ดแล้วแล้วไปคนนไปว่าแจกเอ็มพี่สมน่มันมอดอเป็นอ่านฟังเขาไปแล้วก็ ได้ความรู้ในแนวความคิดได้สติได้ปัญญาในการบริหารจัดการกับตัวเองหลวงพอว่าเกิดประโยชน์พุงพ่อจังไดแจกเอ็มที่สาแจกธรรมะและก็สัทธายาโนมผูทีพนเป็นลูกศิษย์ลูกหาผู้ใหญ่ขององค์หลวงตาพนก็บอกว่าท่านอาจารย์แจกหนังสือรูปแจกธรรมธรรมเทศนาของหลวงตา พิมแจกเรือเดอร์อแล้วพวกถ้ำแจกไปโหลดผมถื อ, อให้การสนับสนุน เ, เรื่องปัจจัยผมมองบ่เห็นอย่างอื่นอนอกจากธรรมเทศนาหรือนังสือจะจะเข้าสู่จิตใจประชาชน <c oughs> แต่ก็บางทางมันขนาดเสียดายขึ้นกันเด้นาเสียดาย น, า เ, ย า, ยนาเสียดายจังนาติดหลวงพ่อถามาพวกนี่ละพวกไอ้สื่อของเก่านี่นะ พวกซื่อของเก่าเนี่ยหลวงพ่อก็ถามมาเป็นไรบ่พวกสุเจ้าซื่อของเก่าเนี่ยมีหนังสือธรรมะมีหนังสือปไตยปิฎกมีหนังสือธรรมอีหยังบอกที่เขาเอาไปขายอ่ะมีบอกมีอยู่ขับป่ะท่นเออเอาไปขายเป็นดีไซเคิลกันไปเออหลวงพ่อได้างเงี้ยหลวงพ่อก็จะดุ่งเขื่อกันบ่นไปเออตายลูกหลานบางคนพ่อได้หนังสือไปก็นยนหนาโย่นหลัง ทั้งที่เป็นสมบัติที่ลำคาแต่ผููจักวิธีการเก็บรักษาเพราะในชุดเด็กหน่อยโยนไปโยนมาเสียหายพ่อเสียหายหล่ะจะเหตุอย่างไนีะเอาไปขายเป็นดีใส่ข้าวเอาไปเอาขายเป็นกระดาษเศษทั้งที่เป็นหนังสือธรรมะหนังสือประวัติของหลวงปู่คู่บาอาจารย์มันไปอันนี้ลูกหลานทั้งหลายเมื่อได้เก็บทั้งได้หนังสือธรรมะเป็นเอาไว้หมงสูงสูงเนาะเพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นโมงค้น คณะว่าเข้าเอาไปไหวถิมมาหลากสากไยโบกหูจักเก็บหูบจักเม่นเด็กหน่อยขี่เงียวไสแล้วก็โยนไปโยนมาถิมไปอันนั้นแปลว่าในเฮือนของเข้าตะขูลของเขานี่เออเป็นอปะเลยเด็เป็นอปะมงค้นเลเด็กบ่ เ, เป็นมงคลล้นแะเออบ่เป็นสางาราสีแหละบกหูจักสูงบกหูจักตำ่ำโบกหูจักสิ่งควรบ่ขวนเออสิ่งที่ทำหนังสือธรรมะนี่ เวลาเข้าจีนก็จะหยกใส่หัวซะ ก, ก่อนยังคอยออกไปเก็บไใบ <sm elling> มือดใดมันทุกข์ใจมันไม่สบายใจได้เออเป็นอย่าง เ, เป็นจังเป็นอย่งสี่เข้าเนี่ยสัตย์ขอบขั้วของเข้าบ้านเมืองของเข้าพี่น้องของเข้ า, ขาลูกของเข้าล้านของเข้าพ่อแม่ของเข้าเนี่ยเป็นอยังยังเป็นอย่งสี่เอาหนังสือธรรมะมาอ่านเอาหนังสือธรรมะมาอ่านมาศึกษาพ่อมาอ่านมาศึกษาแล้วก็ ข้าเขาจะได้ได้รับความเย็นใจได้รับความสุขใจในถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าในถ้ำคําสอนของพ่อแม่คู่บ่าจานเอนิพวกเข้าทางหลายเกิดมาในโลกมันเป็นยังซี่ละเออมาถึงพบมาถึงเจอมาถึงเห็นบ่อมากกับตองหน่อยให้เข้าให้เขาถ้ำใจแบบนี้แบบนี้นะให้ทําใจสูงนะถ้าใจเย็นนะเออพ้นสืสอนในหลักธรรมอะพวกเข้าเป ปฏิปัติตามรักถ้ำข้ามซ้อนที่เข้าได้ศึกษาได้อ่านเข้าก็บสบายใจขึ้นมากกับมีหนทางทางออกมุชักทางออกก็ทำไปแต่ฮาวาเข้าเอาเอพอได้อ่านบอได้ศึกษานี่มีแต่โมโห โ, หโกโ้ท่าชุนออไปมากกัน น, นั่นแหะเกิดเรื่องเกิดเล่าสิ่งที่บบพึ่งปราถนาเกิดขึ้นกับพวกเข้าทั้งหลายเพราะนั้นพวกเข้ามีกุญแฉไอ้มี ปุตูมีดกุญแจเปิดหาทางออกได้ก็คือธรรมะเนี่ยนะให้พวกเข้าศึกษานะนี่แหละเอาหนังสือธรรมะไปให้ลูกให้ลูกให้หลานเกเพื่อศึกษาอย่างเอ็มพี่สามของหลวงพอ่อคือกันคนาวาเข้าสีฟัง่ง เ, เปิดททรศน์ขึ้นมาแล้วก็นีน่แหละแย่เขาไปในเครื่องกมีเสียงออกมาให้นั่งฟังอพอนังฟังกันนึงจบแล้วกั เหมืองอื่นมาอีกนั่งฟังอีกฟังไปเรลยๆฟังครูเหมืองครูเว้นเหมืองได้ฟังว่างเมืองได้ฟังว่างอารมณ์ดีๆใจสบายๆเปิดฟังแล้วนั่งรถไปเลก็ฟังเพลงฟังล่ำกระเบื้องหรืเอาฟังเทปมาแย่เข้าไปเลยก็เอาเปิดแล้วก็ฟังพอฟังกัารจบแล้วก็เอาแล้วการซอมจบแล้วก็ปิดไว้แล้วก็ต่อไปอีก สิฟังเพลงฟังล่ำก็ฟังไปมาอะไรก็เอาเปิดฟังเทศต่อไปต่อมาเนี่ผมลงพรวันสิฟังเทศสิมากกว่าได้บาทเลยพอว่างแฟงเพลงฟังล่ำก็ฟังไปมัแเลเอินเอมลเอิเอแ่ั้นแต่ฟังเทศฟังธรรมมีแนวความคิดเยพวกเข้าเหตุจังไรปฏิบัติตนจังไรในการเป็นอยู่ในการทำมหาเลี้ยงชีพนีหละอย่างที่ หลวงพ่อก็จะบอกเรื่องชาดกรเรื่องนี่ท่านให้พวกเข้าทั้งหลายได้ฟังในชาดกมันมีเลยในเอพสามของหลวงพ่อมีเลยหลวงพ่อจังหวะนี้นี่ยคันพูดได้ลูกของเข้าลูกของเขาเนี่ยบางที่มันบอกฟังความพอความแม่มันสอนอยากอมันสอนอยากคันเข้าได้ฟังในชาดกมันได้ฟังในธรรมเทศนาของหลวงพ่อเนี่ย พวกเขาก็จะได้ฟังโอ้ขนาดลูกของโยมอุปถาภพพุทธเจ้าแทๆ้ๆกันยั่งเาาาบ า, า, งาหยาดเด๊ยไปเบายังภาษาลูกเข้าหลานเข้าห่างเหินจากพระพุทธเจ้าขนาดโยมอุปถาภพพุทธเจ้าแท้ๆยัๆ่งเบาหยากนะพวกเขาก็จะได้เปรียบเทียบกันเขาก็จะได้ใจเย็นลงอใจเย็นลงพเพราะลูกหลานของเขานะมันเบาหยากประมาณแต่เบาหยากแต่ลูกหลานเข้าขนาด โยมอุปถาคพระพุทธเจ้าก็ยังบอกเนี่หลวงพ่อบอกให้ฟังระบาดเนี่เป็นอย่างไรเรื่องเล่ า, เ, าเรื่องเล่าก็คืออาณาถาบินติกาเศรษฐีเป็นโยมอุปถากพระพุทธเจ้าในกรุงสาวัตถเีเป็นผู้อุปถัมปถากเป็นโยมอุปถาคไงพระพุทธเจ้านะอนาณาถาบินติกเศรษฐีและนางวิสาขาเนี่ย แต่ปัดนนหลุดายอานนาถามมติกาเศรษฐีละ่ะกาลังเป็นนมพ่อเป็น น, นมขืนมานี่ยพ่อบอกจะไหนนี่ยพ่อบอกใส่ไปขวาพ่อบอกขวาไปใส่พ่อให้เดินหนาถอยหลังเน่่องสั้นหละให้ค่ายกับบอกฟั่งความพอเลยว น, นไปพอเนี่ยมดนี่สีเหาว น, นไปกั้นสิขาสิตีเลยก็จัดจังด่เนี่ยเปิ้กับเป็นหลุกเศรษฐีอีกต่างหากเพิก็เป็นเศรษฐีใหญ่ในกรุงสาวัตถีอีกต่างหาก บานในพนก็เลยเอ๊่สิเอาจังใดเนาะเออกลุกผู้อื่นก็นดีมดคุ่คนแต่อเหม่มจไปแตเป็นจังจี่ล้วั่นพอแม่พี่น้องจะไปสู่สวรรค์สันฝ่ามัดไม่แต่ปล่อยไอเดียวสิไปตกนรกเอาเวจีมันสิแมน่นบ่เฮาเนี่ยใส่เกิดเคือกันมันร้จกักเหตุเหตุจังใดบานนี้ก็เลยมันบักนี่มันชอบเงินในบ้า น, นมันสอบเทียวเออ พอได้เงินมาเลยเรยบโปรดไมจเป็นเที่ยวใสกบโบหูวละได้เงินมาซอบเงินบ้านนีเป็นทีว่ามันสอบเงินพอก็เลยบอกว่าไอ้ลูกไปไปรักษาศีลให้พอ่อทุกพ่อสีจาสา่างเสียอัเทอา์ได้ละเสียอั เ, อเทอร์ด้ละรักษาศีลเธอหนึ่งตแต่แกก็บอกว่าคนแล้วหาสบาทครับพอเออเอาหาสบาทก็บหาสบาทไปไปรักษาศีลเนานะ พอเจให้หาสิบาทรักษาสินแปดแปดคำหาสิบาทสิผคำหาสิบาทแปดคำหาสิบาทสิผาคำหาสิบาทน บ, บ้านนี้ก็ไปรักษาสิน้พอจ่างไปเลพ่อไปหอดแลวก็เป็นนอนไปอยู่ในวัดผ น, นไปไปสมมาท่านสินก็นอนแล้วเราไปว่าได้สนใจกขไปละพอนอนดแลยก็กลับมาหอดบ้านเลยกัพอ่พอพๆผมมาเลยได้เงิอนเงินมาเงินมา พอก็หายโหลดหายิบบาทลงไปเตียยไ้่หายเลยเออบอลมียังบอลไปอยากได้บาฮาตอม่าพอก็เลยบอกอีกได้ลูกเออบาทาให้ไปฟั่งเทศนะเออให้ไปฟั่งเทศเออพอพ่อใจเจ้าไปทอดฟั่งเทศทเที่ยงคืนนะเอา ไ, ล, า ไ, ล, านนะไล่ไ ล, ะนะล ก, นลออกนันไปฟั่งเทศจนเพล่นเลิกหละนะเออแล้วพอจะให้อีกจะเอาเท่าหล่ะเออพอบอกว่าจเอาเท่าใหรไปฟั่งเทศัน ผมขอ20พาบาทครับเป็นเจ็นสิบพาเนาะครับเออออกไปให้ไปฟังเทศผมหน้าบ้านในรักษาศีลแล้วครับพอไปรักษาศีลเนี่ยไปฟังเทศพ่านี่พอไปฟังเทศก็นั่งซับพงกนอนรับเป็นสันละวันไปเออพ่อพ่อให้ไปฟังเนียก็ซืออยู่เอออาจจะมีผู้นำไปเบังบังอยู่นั่นละวะบาฮาเนี่ผู้พ่อก็เลยเว้าเออปลาเนี่ยโลก ไปไห้เราฟังเทศเพื่อเข้าใจพอแล้วครับผมพอให้ฟังกับฟังกันเ อ, อพอฟังเอาเงินมันออกไปบาทใ้ผู้พอเขาเลยบอกว่าเอาเทัา้งโลกบา้ให้ไปฟังจัมค่ําเบาพระพุทธเจ้ามาให้พอสักค่าหนึ่งพระพุทธเจ้าเว้าหยั่งค่ำหนึงนะพอจะให้อีกเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่ล่ะเอาเป็นร้อยบาทก็แล้วกันนะพอเออเอเอาได้ได้ไดตอนนี้ก็ไปแล้วบาท พอไปจะเอาเงินลอยบาทเนี่ยพอไปห่อแล้วกัไปนางฟังว่าไปพอไปฟังพระพุทธเจ้าเทศนะ์มาพ่อฟังได้แหละเออจับได้ละบาทเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเรื่องออของบ่อเทียงอเนจังของบ่อเทียงทุกสิ่งทุกอย่างบ่อเทียงจับได้ละทุกสิ่งทุกอย่างบ่อเทียงอพ่อจับได้ละกลับออกมาหมดไปหันหลังก้าวออกม า, กาลืมซักหมดไป บ่ยังเกาเริ่มแอ้กันแ่ยังก่อนก้าบ ja uko, go, ไปอ yes ีก um <implemented him wand ered> ไปฟังอีกพ่อไปฟังเอกฟังอีกพ่เข้าใจเอกเขา้จจำไรแล้วบานนี่ออกไมเกพราะสี่จำเพราะพรพุทธเจ้าบ่นบันดานให้เริ่มเอกไปเออไปกลับก็ไปอีกไปบานนี่ตั้งใจฟังขักขนาบานนี้ว่าจะเนบานนี่เอาจาให้มันได้เม็นเม็นบานนี่ออกไาให้มันแลี่ยวเดีเยอจาว่าไรนะว่ไรคือจบมาบ่ม สมัยนั้นเคยจะบอมีตัวหนังสือจดมั้งมีกระดาษจดจังสีก็คือสีง่ายแล้ววะนี่เดีวนี้บอมีตัวหนังสือบ้านเลยว่าก็ไปนั่งฟังมันลงไปฟังไปฟังไปพรกพุทธเจ้าเทศถึงฟังบ้านเลยเป็นคนดีจังสันเป็นคนเลวจังสี่คนคิดพิดจังสันคิดถูกจังสีนรกจังสันสวรรค์จังสี่นิพพานจังสั่น มเมื่อมักจังสันผลจังสีพ่อเปียบเพียกฟั่งร้ายร้ายเขาตั้งใจฟั่งฟังฟังฟังบัณฑ์ได two, <Sí. S 2> ้สําเร็จโสดาบันแทีแล้วบาัณฑ์ได้สําเร็จเข่าใจในอัตในร้ำของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จพระโสดาบันในขณะที่ฟั่งพ่อเข่าใจท่านั้นโอ้โตโตโตโตโตโตกูทำไมเลวถึงขนาดนี้พอนี่โอ้พันเมตตาให้มารักษาศีลให้มาฟั่งเทศโอ้ คำเมนพอบอใส่สติใส่ปัญญาสอนกูน่ยกูนี่จะพ่อแหงแหะตกนกรกอเวจีกูมาสร้างรูปหลงปานเนทเด้โอ้ตายตา ย, ตายเออแล้วเลิกถึง บ, บุญคุณของพ่อเลยป่ะนี่ของพอ่อของพระพุทธเจ้าลำเลิกถึงย่างมากเลยวันออกไปให้แล้วเลิกถึงบุญคุณพระพุทธศาสนาพ่อจากนั่นมา ก, กับพระพุทธองค์เทศจนพ่อยน่าเหมือเศร้ามาบาดนี่ ลูกอน่าถามิตีกาเศรษฐีมณันไปวะนัําหลังพระพุทธเจ้าไรพวกเนาะอุมบัตออุออบัตตามหลังพระพุทธเจ้ามาเลยติดตามมาเลยวพ่อแมาหอดเดียกันหัวจักประเข่นหน้าหัวจั อ, อประเข่อาหารกับพระสงฆ์เลยเฮ็ดเป็นอุบาศกไปเลยวนไปผู้พอนะ่อเนโอ้ยปืมปีติปืมแล้วปืมอีกวนลงไปโอ้ลูกของกูสร้าง ดิบช่างดีปันนี่แต่มือในวันเดเออตะกอนมาหอดเป็นหาท่วงเงินเเด้แตพอมาหอดอเอะพเนหนาก็ไม่หาท่วงเงินพอก็ต้องควักให้เลยวันไปเออเพื่อป่แห่นั้นแต่เมื่อไงก็เตรียมไว้ขึ้นแล้ว่าเออพ่อมาหอดเลยนมนี่กะโอ้ยพอจะจะถามจะถามเอาเงินไหต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยเถอนอยากให้พนวัเวเเเนเด้์อออนมนี่ก็ได้ไปว่าอยากให้พ่อเบาไป เออท่านนี้ก็จัดการดูแลนั้ น, นจนเรียบลอยพทุทธเจ้าจกอนุโมโทท น, หนาหรือก็ฉันนะ่ะเนี่ยฉันผู พ, นพ้อหรืออดบอล้นพ้นบะไรกอกไปก็เอิดลูกว่าลูกลูกลูกเออเป็นยังไงล่ะเออนี่เงินพอเตีย ม, มหายอยู่ได้นี่ันี้์เอาพัศ น, น บ, อ บ, อบอเอาดอกพอพัศนีย์บอเอาเงินพอพัศ น, นผมบอเอาดอกครับพัศ น, นีเออห้อยเป็นอย่างว่าเอาลูกพัพอเตรีย ม, มหายอยู่ได้เนี่ เ, เตียมให้ลูกอยพัศนีย โอ้โอโลูกเป็นอยังนั้นอันเดีบตีแถวจะไงพระพุทธเจ้าบอกว่าอนาถาเมติกาเศรษฐีลูกของชายของท่านนะ่ะเขาไม่รับหรอกโลกิยาทรั พ, พ์เพราะเขาได้โลกุตระทรั พ, พแล้วน เ, นเขาได้เป็นพัสโสดาบันแล้วเขาไม่สนใจหรอกโลกิยาทรั พ, พ์อนาถ า, าเมติกะเศรษฐีก็สาธุวกันจเนออสาธุสาธุ ออเป็นลูกชายเป็นคนดีเ่ามีไอ้ยังที่จะดียิ่งกว่าลูกเป็นคนดีฮะลูกเป็นคนดีหนะึยิ่งกว่าใดรัพย์เงินทองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้ลูกดีเข้าไปนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเพนซอยหรือว่าทั้งพอครือหน้าถามธีกเศษธีกพยายามพักรันลูกผนใสชันเชิงเล่เหลี่ยม เพื่อจะให้ลูกของตนเองเป็นคนดีนะีอันนี้แหละอันนี้ก็คือกันนะพวกเข้าคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานของเข้าบางข้นบางขู่บางข้นก็เป็นคนพอดีอพอแม่เกิดจีบโมโหโก้ท่าที่เดียวก็กรรมหนาจะถูกต้องกข น, นาดจะใช่ชั่นเชิงเลเลี่ยมอคอยบอกคอยสอนคอยกาวไปต่อไปมันก็อาจจะเป็นคนดีมันสนํานึกได้เพาะนั้ไปแต่บางคนก็สํานึกบุหรีได้เออทนที่สํานึกบุหรีกันเนี่ย หลานอนาถาบิดิกาเศรษฐีคือกันหลานักอนาถาบดิกาเศรษฐีนี่ก็เมื่อเมื่อพอของอนาถาบดิกาเศรษฐีมันเป็นเศรษฐีในกุงสาวัตถีบัดลเพิ่็เลยพ่อเพิ่นตายบัดละเพิ่งแจกเงื่อนให้ให้ลูกของเพิ่นบัดละคนละสี่สโกดสีโกดสีโกดมันไปอนาถาบิดิกาเศรษฐีก็ได้โกดพี่ชายเพเด็กโกด มหาเลกัต่างคนกัะต่างทามาค้าขายกันอนาถมริกาเศรษฐีเนี่ก็เป็นเศรษฐีใหญ่ไปค้าขายต่างประเทศไปกุลงราชคือโกสัมพีสาเกตพระลานศีนเป็นพ่อค้าใหญ่เออแล้วก็น่แหละตัวเพินก็อยู่กุงสวัสดีมาเนี่เพิ่ก็หล่อมรุยแต่ว่าพีไา้ของเพินเนี่ก็เพิ่ก็ทำมาค้าขายใกันมาในพีไา้ของเพินตายก้อนมานี พ่อพี่ไส้าตายแล้วก็เลยมอบสมบัติให้กับลูกชายมอบลูกชายปเนี้ลูกชายพอได้สมบัติท่านั้นละ่ะบ่ได้ขโมยมีเงินเด้เอาไปมากก็เอาเงินก้อนนะ่ะไปถลุงเหล็ดมาเนี่ยใช้ใจยอย่างอุตรุดเร็วลงไปบอจักสุราม า, าลี่ผ้าสี่กีฬาบัตรขอบมัดถูกแนวอสมบัติเจ่งพ่อมัดสมบัติแล้วบาดเนี่มากขอสมบัติน้าอาบันเนี้ มาขอเงินทําอาไปใช่มาขอเงินอนามานาถมิติ迦เศฐีอนาถามิติ迦เศฐีทีท่แรกก็หาง่ายๆเพราะว่าเป็นลูกพี่ชายวันนั้ไปเอ่อเอาไปหยังห่งล่วเอาเอาไปให้ให้เธอที่แรไปแล้วโบ่าโดนมาขออีกเธอที่สองเอาเอาไปเฮ็ดหยั่งแล้วพ่อไปสืบสูมันเป็นอย่างไรพอไปสืบที่ไหนได้โอ้เจ๋งวันนั้ไปเออเอาเงินไปใส่อิรวดิชุยแฉกไปมัดบาทเนี่อาจากท่านโพ อนธาถาบเปิกาเศรษฐีแล้วก็ก็หหามเลยว่านะบอกเลยยานะวะท่านเนเออมึงจะไปเห็ุอีกนะมึงจะมาอีกนะถ้ามึงเป็นอีกมึงจะมาขออีกนะวะท่านบัตรอะไรก็ยังมาขออีกมากขอบาตนี่ยใสคือใสค่าเอาคือค่าแบบคนโบราณนนะไม่กระโหลกไม่ไพ่มัดข้อแล้วก็ลากข้อออกไปเลยาทำไปแบบว่าเยอะแยะเลยบัตเนี่ยผมถือว่าเป็นหลานเลยแหละมันเรลวขนาดนี้เพราว่สืบ ไ, ได้แล้ว มึ่อจาเข่ามากอีกนะแต่มากเข้าเนี่ก้สิโดนมึ่อจะโดนไม่เลี้ยววะแต่เนี่ยสร้างไวนะ้นั้นช่างสั้นอีกคนหนึ่งไปบาแล้วมันก็บอกกล้าเข่าแล้วมันโดนไม่เลี้ยวย่านโดนไม่เลี้ยวต่อมากก็เลยจัดเซ่พระเนจจอนมันก็เลยตายคนหนึ่งไปพอตายแล้วอนาถาไม่ดีกเัเศรษฐีนี่ยก็บ๊อสบายใจบ่นี่ยเฮ้านี่ก็เกินไปเลยเปล่าน้เอเฮ้าเป็นอาเขาเนี่ยมันก็อดเหลืออดเหลือทนบอกตั้งหลายเถื่อแล้วมันก็เน่ยบอฟังมันก็ยังเลี้ยวคือเก่า เฮ็ดจังไดเนาะมันจนมันตายมันถึตายแต่ก็สบายใจมาในอนาถาบริกาเสียถี่แล้ไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่วัดปลาเชิตะวันไปพิษเวลา่าท่าไปตามปกตินั่นอนาถาบันไดเนี่ยเพิ่นจะ ไ, ไ, ไปตอนเศร้กาก็ไปตอนแล้งไปตอนเศร้าก็คือถตไวปัตตหารไปตอนแร้งก็คือถตไวดอกไม้แล้วแตไว้ปานะพระสงฆ์แล้วก็ไปฟั่งเทศท่นไปอันนี้มันไปตอนเที่ยงตอนบ่ายท่นไปอย่างพวกเข้ามาตอนบ่าย พราะพระเทเจาก็แปลกใจว่าอนาถามมดิกะเศรษฐีทําไมวันนี้มามาผิดเวลาทําไมจึงมาเวลานี้โอ้ยข้าพระ อ, องค์ไม่สบายใจพระเจ้าข่าเพราะขาพระ อ, องค์นี่ทํากับหลานหลานเนี่เป็นลูกพี่ชายพี่ชายกับแบงปันจมวัดกับทอกันกับเก่ากับผมมาแล้วป่ะพี่ชายตายแล้วก็ได้หมอบให้ลูกลูกก็เลยเนี่ยเอามาถะลุงเล่นจนเงินมัด ก็จนนี่แหละข่าพระองค์ก็ได้ไล่ออกจากบ้านแล้วบ่อยมากใกล้บ้านนี่ไปแล้วก็เริยิ่นข่าวมาตายเขาสันนิษฐานเจ้าเสพระเนจรไปข่าพระองค์ก็บ่อสบายใจย่านบาปย่านมันเป็นใข้ข้าว่าผิดบ๊อที่เราทําไปเกินไปหรือเปล่าเนี่ยข่าพระองค์ก็ไม่กล้าตัดสินใจว่าผิดหรือถูกะข่าพระองค์เลยมากก่อการพระพุทธเจ้าให้ขี่แจงให้ฟังในท้อนข่าพระองค์ในทําเกินไปหรือเปล่าเนาะไปเจ้าข้าวเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่า นี่ยนะวิญญาณตัวนี้นะเข้าเคยเลี้ยงมาแล้วในอดีตชาติมันเลี้ยงบกคืนหอกวิน ญ, ญาณโง่จะเป็นว่ามันติดพบติดชาติมันวะสันมันวิน ญ, ญาณโง่อนาถาเม่ได้กเกษตรีก็เลยถามสมัยไหนหนอพระเจ้าข่าที่พระพุทธเจ้าได้เลี้ยงวิน ญ, ญาณเนี่เออฟังแล้วเราเราจะฟังพูดให้ฟังเราจะตรัสให้ฟังสมัยหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีอยู่ในกลานาุ่มพระราสียวะสันเศรษฐีใหญ่ เขาเป็นผู้ลํารวยที่สุดในสมัยนั้นเข้าในตั้งโล่งท่านไปยึดสีมุมเมืองเ่อสีมุมเมืองกือสีประตูประตูสีมุมเมืองเวลาคนเขามากก็ให้ได้ยุ่ยอะรกินทุกคนเดินทางมากเวลาคนออกไปหิวก็ให้ได้ยุ่ยอะกินเออเข้าตั้งโล่งท่านไว้เลยแล้วก็ตั้งในกลางเมืองใหมองหนึงอีกคนมัดในกลางเมืองก็ได้กินเอ่อโรงท่านของเข้าแล้วก็ประตูบ้านของเข้าอีกแห่งหนึ่ง สรุปแล้วก็คือเฮ้าต่างโลงท่านไปฮกแหงในกขุงขุงพระราศีมาฮะในพวกคนทั้งหลายก็ได้กินเฮ้าก็มีแต่ทําบุญท่ำท่านตลอดท่ำมาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองพอในสุดต่อมาเฮ้าก็เลยหมดอายุของเฮ้าเขาเลยตายตายพอแล้ตายแหละอันนี้สงท่านของเราเล่าไปสู่สวรรค์เป็นพระอินทเราไปเกิดเป็นพระอินทในชาตินะ่ะพ่อจากตายจาก เศรษฐีในกุงพระราณสีแล้วก็ไปเกิดไปขึ้นไปอยู่เป็นพระอินทร์อยู่สันสวรรค์สันดาววัดหนึ่งพ่อเป็นพระอินทร์ยุหันเหล้วก บ, บาลเนียมอบสมบัติให้ลูกชายพ่อลูกชายพวกนี้พ่อได้สมบัติเท่านั้นแหละบริหารบ่เป็นบาลเนี่ยจากนั้นก็นสื่อเหล่าสื่อยามาเลี้ยงหมูสนุกสันานเปิดป่นเอาไปมาเก็งมาเล็งมาเล็งถึงถสือพรจักบริหารเอาไปมาผูกกองพว ก, ก, พวกยังก็มีบาลนี่ พอในสุดสมบัติเลยมดพ่อเมิดบาทเนี่ยจนเขาไลออกจากบ้านพ่อไลออกจากบ้านก็ไปหาขอท่านผู้พอที่เป็นเศรษฐีที่เป็นพระอินทร์อยู่สั้นฝาดเป็นก็มองลงไปเห็นโอ้ตายเนาะลูกของเฮาเนะเาะเลือดเนื้อเชื้อไขของเฮาเนะเาะได้ทรัพย์สมบัติกับรักษาปกปุมเนาะขั้นเฮาโบสลงไปก็คือขาดเมตตาเห็นมองเห็นอยู่เนี่ย พระอินทก็เลยลงมาจากสันฝาพ่อเรามาจำแลงตัวเป็นพระอินทร์เป็นเศรษฐีคือเก่าหน่อพอออกมาพ่อลูกพ่อนี่ก็ลูกนี่ก็จำได้ว่าเป็นพ่อเนี่ยพ่อก็เลยบอกโอ้ลูกที่รักของพ่อเป็นยังไหนล่ะลูกโอ้ยทุกจดแล้วครับพ่อฉันจะไปเหตุจังจันแหมลูกเลยเป็นอยังทํามากฆ่าขายซอบสมบัติมีดางมากมหมเป็นอย่างบ่เหตุเ็รตนเป็นคนดีเป็นอยังอย่างเหตุเห็มันซัว เลี้ยซ้ายังสั้ น, นไปหากินเหล่าเม้ายาคบมูคบเพื่อนคบคนเล่ว้วมันก็เป็นยังสั้นแล้วลูกเลยต่อไปในยาเฮ็ดนะเดี๋ยวพอจะให้หมอเออหมอสารพัดเนื้อไข่นะให้หมอใบนืองนะ่ะคันวันโลกต้องการอยากจะได้เงิ่อนอะไรล่วงมือเข้าไปจกมือเข้าไปในหมอเนี่ยนะเออจับจกเอาเท่าไรก็ได้นะเอ่อแล้วให้ลูกรักษาเป็นคนดีนะต่อไปนะ่ะยาเฮ็ด แนวกาเนอะครับผมผมจะเป็นคนดีครับพอ่อทำไงเออพ่อก็เลยให้มอใบหนึ่งพ่อหมอไดใบนั้นเกิดมันเคยจดมาเลยเนีมันเคยทุกข์มาแล้วบ้านมันก็เลยเป็นคนดีบานนี่เออเป็นคนดีมันช่วระยะหนึ่งมาท่าแล้วพอ่อรุ้ยขึ้นมารุ้ยรุยขึ้นมามันหางายได้เงินบานเนี่ยไ อ, พกกอ้พวกเกา่าของมั่นไอ้พวกเก่าพวกขี้เหล่าเม้ายาไนอะ้พวกเร่เๆ่ทั้งหลายนะมันก็เข้ามาหาตะแก่อีกคือเก่า พอมาหาแต่แกแต่แกกันล่มหลงไปคือเก่าแล้วนะไปพอดื่มเหล้าเม้ายาโซล่าหน้าเละขอบมัดคือเก่ากับมูพวกนั้นไปเอาไปมากินเหล้าเม้าแล้วข้ น, นขีลขนขีเลาไปดูจักยังโมจักสูงโมจักต่ำโมจักเสียหายบมเสียหายบุญจักมันไปพ่อจากนั้นกันพ่อกินเหล้าเม้าขึ้มมนมากเลยโยมหมอเนี่กัโยนขึ้นทั้งฝากกระับโยนขึ้นไปกระับโยนไปกระับคนทั้งไปเป็นของเล่นไปได้ปัน มาหาโยนอีบานนี่มอพัดตกหับว่ท่านสิแล้ขี่เหล่ามันตาไลา่ได้มันบ่ล่ะเอขี่เหล่ามันตาไลา่โยนไปตอกพัดโป๊ดโดนใจพื้นดินหมอแตกอาญาเลยบ้านพ่อหมอแตกอาญะเท่า น, นั้นแหละมดบานนี่เจสีจกหาไผ่ลงไปสิจกหาเงินมันบ่นไรแล้วบ้านหมอแตกแล้วมูนอาญาแล้วบ้านเพราะอีกนูก่ตั้งฝากเไม่แต่เบิ่งเงโอ้เจสีเลี่ยงจะไหนเลี่ยงคนเลวเนาะ คนกเนน็เลยป่งอนัตโป่งเป็นเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาคน่ะเป็นคนก็เลยว่างอุเบกขาพระอิมุทั้งฝาา่านะเพราะว่าถ้ำของพระพุทธเจ้าหนึ่งถ้าว่าขั้นผู้ดีเพิ่งกับเมตตาจากออออกะก้อนดไปแล้วก็กรุณาคือสงสารนะโมทิตาคือคือพ่อยยินดีที่เขาทําดีแล้วอุเบกขากขาว่างเสยแล้วเหตุยังไงมันชัวร์เลยเด็ดนก็ว่างเสยคนไปตั้งแต่บัดนั่นมา หมอนั่นก็เลยจกแกระนั่นก็เลยทกจนคือเก่าไปหาเป็นขอท่านคือเก่า น, ะนี่แหละวิญญาณอนาถามติกาเศรษฐีวิญญาณ น, นี้นะ่ะเราเคยเลี้ยงมาแล้ววิญญาณโง่ถึงจะทํำยังไงก็เอาตัวไม่รอดเพราะเหตุไรขนาดเราให้หมออกสารพัดนึกก็ยังเอาตัวไม่รอดเพราะวิญญาณโง่เพราะนั้นเธอไม่ต้องเสียใจเป็นกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลาย นี่แหะให้พวกเข้าฟังไว้นะลูกหลานของเข้าคันว่ามันสัวร์ม้ชาเสียหายเข้าพยายามปัน่นให้มันดีมันดีบ่ได้เขาก็ต้องว่างโอเปิลขานะี่ยจะวายจังใดมันบ่ละเออมันดีบ่ได้เลยนี่แหละเสียงเรานี่ย ค, คือการเป็นอยู่ของพวกเข้าที่หลวงพอ่อเดนยก เ, เป็นตัวอย่างใ ห, ให้ฟังทั้งสองอย่างคือลูกอนาถาเบติกาเศรษฐีเป็นคนบ่ดีเริ่มบ่ดี แต่พอก็บให้ยามปั้นให้เป็นคนดีได้อแต่หลานอนาธรรมมรดิกาเศรษฐีนี่ออืผู้นี้แปลว่าเออนาธรมมรดิกาป น, นา้ำพรที่โชก็เลยได้เสียไปช่งสันได้ไปกราบ พ, พูนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าวิญญาณสัวปิญญาณบอดีใจบอดีอมันเกิดมาพบใดชาติไหนมันติดภพติดชาติมันเอมันเป็นคนสัวแหลมมันหามันดรีไดอยาก คนสัวถ้ำสัวได้ง่ายถ้ำดีหยาดคนดีนี่ยถ้ำดีได้ง่ายถ้ำสัวหยาดมันตรงกันขามจังสันเพราะนั้นขอให้พวกเฮาคณะสัท่ า, ยยานญาติโยมหลูกหลานทุกคนเน้่ฟังหลวงพ่อบอกนี่แหละให้ปรับปุ่งลัว ก, การเป็นอยู่ของพวกเฮาเฮาไมีหลูกมีหลานมีโป่งสาคณายาดบางเสียงบางอย่างเฮาต้องถ้ำใจ ขั้นพ่อขนาดใดขนาดหนึ่งแล้วก็ย้อนเมตตาซึ่งกันและกันนะอันนี้แหละการเป็นอยู่แล้วก็เมาพูดถึงมูวมัวพวกพระสงฆ์นองนุงทั้งหลายปานีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แมาเมื่อนี่ก็ทาบสี่สิบกวา่าองค์หลายสิบกวา่าวัดแล้วก็สองจังหวัดจังหวัดน้องข้ายจังหวัดบึงการที่มา คารวาหลวงพอ่อขึ้นไปหลงกาบหลวงพอ่อชาลีหลวงพอ่อบัตยบุญลงมาหาหลวง พ, องพอ่อหลวงพ่อก็เออเอาลูกหลานได้มาพบมาเจอกันแล้วก็หลวงพ่อจะไหนแนวให้แนวความคิดเฮ้าเป็นลูกหลานของหลวงปู่มันเนอพระเนนลูกหลานทั้งหลายให้ถือว่าเราเนี่เป็นพวกเราเนี่เป็นลูกหลานของหลวงปู่มั่นต้นตระกูลของเราก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นน่ท่านอาจจะมีอาจารย์ของท่าน เ, เราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นใครเพราะไม่มีการบันทึกไม่มีการบอกแต่ท่านต้องมออีอาจารย์ของหลวงปู่เสาน่าต้องมีท่านต้องได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ของท่านแต่พวกเราเนี่อยู่เกิดชุดท้ายภายหลังแต่เราพวกเราเนี่พอหลวงปู่เสาล่วงลับดับขันไปหลวงปู่มั่นก็เป็น คณาจารย์สอนสิทธิอนุสิตมีลูกศิษย์ทั่วประเทศแล้วก็มีเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นพระอุปชาที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านก็ได้บวชพระบวช ห, ห, ห, หลวงปู่ขาวบวชหลวงปู่ฟั่นบวชหลวงปู่อ่อนบวชหลวงปู่หลวงตามหาบัวบวชหลวงปู่ล่าบวชหลวงปูจ่จ้ำทั้งหมดเลยท่านเอท่านเจ้าคุณธรรมเจดีท่าน เป็นพระอุปชาบวชให้แต่เจ้าคุณเจ้าคุณธรรมะเจเดกเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเป็นเนนของหลวงปู่มั่นแต่ด้เมื่อท่านไหนเป็นอุปัชาท่านก็เข้ารบหลวงปู่มั่นอย่างสุดสุดนี่แหละนี่นก็คือเราเป็นลูกหลานของหลวงปู่มั่นท่านเราถามขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์องค์ไหนหลวงพ่อครบว่าหลวงปูล่ลาเป็นองค์แรกแล้วก็หลวงตามหาบัว ที่หลวงพ่อได้อยู่นานจากนั้นกับหลวงพ่อก็ได้เรียนรู้กับหลวงปู่แหวดหลวงปู่จามเนี่ยหลว ง, งพ่อเคยจำํำรรษาเคยอยู่ด้วยนี่แหละอันนี้ก็คือแล้วครูบาอาจารย์เหล่านี้แหละที่หลวงพ่อได้อยู่ด้วยเนี่ยหรือองค์ที่ไม่ได้อยู่ด้วยในธรรมะเลกขิดของท่านหลวงปู่มั่นสอนอะไรนี่ให้พวกหลานลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้นะท่านหลวงปู่มั่นท่านสอนอะไรท่านสอน กิจจะวัดข้อวัดท่านบอกว่าให้เคารพในพระวินัยเนอร์พาพันหลานท้งหลายเนเอร์ให้เคารพในศีลและวินยัยถ้าว่าเรามีศีลและวินัยดีแล้วการจะภาวนาสิ่งไหนก็ตามจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายถ้าว่าเรามีศีลเป็นเครื่องกำบังเป็นเพื่องคุ้มครองแล้วศีลของเราดีแล้วเราไม่มีเรื่องราวแล้ว เราจะนั่งภาวนาจิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายนี่แหละเมื่อจิตความเข้าสู่ความสงบแล้วจิตเป็นพื้นฐานแห่งความสงบแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเดินวิปัสสนาก็จิตใจก็จะเห็นอัดเห็นทาได้ง่ายนี่แหละหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนสิทิยาวนุสิตท่านั้นหลวงปู่มั่นท่านสอนสมัติธรรมยังไง อันนี้พวกเรานะให้ฟังเอาไว้ทีนี่ลูกหลานทั้งหลายพวกเราจะไปกระสับกระสายไปสายแสเพ่งอย่างโน้นเพ่งอย่างนี้นนกระสินอย่างนน้นกระสินอย่างนี้เข้าทรงอย่างนั้นเข้าทรงอย่างนีน้อันนั้นไม่ใช่ทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะพระลูกพระหลานพันน้องพันองทั้งหลายนะหลวงปู่มั่นของเราในะท่านสอนสมสถะคือทําจิตใจให้สงบทำสงบทํำยังไงท่านให้ภาวนา กรรมฐาน40ที่พระพุทธเจ้าวางเอาไวนะ้เนี่ยคือกรรมฐาน40อย่างแต่ท่านสอนจริงๆเน่ยคือให้ภาวนาพุทธโธฮะเวลาอยากจะทจําจิตใจให้สงบให้ภาวนาพุทธโธนะเนอแต่พระพุทธเจ้าเนะี่ยหลวงปู่ครูบาอาจารณวในเราดูซิในพุทธประวัติเนะี่ยพระพุทธเจ้าวันคืนที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธนนะิญาณน่ะที่โคลนต้นโพนะ่ะท่านนั่งภาวนาอย่างไร ตอนหัวค่มท่านนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าพอพระทัยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมจากนั้นก็เกิดยานรัตเกิดญาณทัตนะเกิดฌ า, านขึ้นมาเรียกว่าปุเพนิวาสานุจติยานลำลึกชาติผลหลังได้อันนี้คือ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพนแต่ที่นี้หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าเรากำหนดแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันหลุดได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายถ้าว่าพวกเราสำทับกับพุทธโธเข้าด้วยนะพุทธโธพุทธโธนี่แหละเราจะไม่เผลอจะไม่หลงได้ง่ายเพราะนั้นให้ภาวนาบริกรรมพุทโธนะ อันนี้แหละคือความเป็นมาของอที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันจะเป็นหลวงปู่ขาวก็ตามเป็นหลวงปูล่ลากก็ตามหลวงปู่ฟั่นก็ตามจะเป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามที่เป็นสิทธิอนุสิทธิของหลวงปู่มัน่นท่านจะสอนแนะนําอย่างนี้ให้พวกเราศึกษาดูอยู่ในชีวประวัติของแต่ละรูปแต่ละองค์ครูบาอาจารย์ถ้าพูดเรื่องภาวนาแล้วท่านจะเ น, นเน้นเรื่องจิตภาวนาบริกรรมพุทโธเป็นหลัก เพราะนั้นขอให้พวกเราพ้าลูกผ้าหลานทั้งหลายอย่าหลงทางนาะอ ย, อย่าไปหลงทา ง, อ ย, างอย่าไปหลงกลอย่าไปหลงไปทางอื่นให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทําไมจึงหลวงพ่อจึงเน้นหนักขนาดนั้นเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านพวกเราเห็นไหมหลวงปู่มัน่นมรณะภาพไปกระดูกของท่านในกลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นตําตาตาํตาใจแล้วครูบาอาจารย์แต่ละองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เ่า ที่จากไปนั้นด้วนก็เป็นพระาธาตุเกือบทุกองค์ที่เราได้เห็นเพราะฉนั้นเราควรจะมั่นใจได้ว่าอันนี้คือสายพระรหันปฏิปทาของพระรหันที่สายหลวงปู่มั่นแนะ น, นําสั่งสอนไม่ใช่ท่านทําสมา ถ, ถะเท่านั้นวิธีเดินวิปัชนาธรรมอย่างไร น, นี้เราต้องศึกษาอีกทีนีน่วิปัชนาก็คือพิจารณาการกรองไตรตองหาเหตุและผล สมรรถะคือทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งอย่างที่ว่ากําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเมื่อเราไม่คิดถึงอดีตอนาคตอดีตก็ไม่คิดถึงอนาคตก็ไม่ไม่ไปจิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นในเมื่อจิตใจอยู่ที่ตรงนั้นจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมเน่งอจิตใจรวมขณะหนึ่งเรียกว่า สมาธิมีอยู่สามขั้นนะลูกหลานพระเนรทั้งหลายลเลยเว็นลานั่งภาวนาท่านจัดว่าเป็นสามขั้นขนั้นแรกสมาธิคือสมาธิเข้ามาจิตใจรวมสงบแบบฉิวเฉียดหรือว่าแบบว่าบเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่มันผิดปกติในในจิตใจขณะนั้นอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิจิตใจรวมเข้าชู่ชู่คู่ชั่วขณะหนึ่ง คณนนิกาคือว่าคู่ขณะหนึ่งแต่ถึงขณะหนึ่งก็เถอะเราจะไม่มีวันลืมเลยจิตใจรวมเพียงขณะเดียวเท่านั้นโอ้ทาไมใจของเรามีความเย็นเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินในช่วงอย่างเอ้าเราอยากจะให้มันเป็นอีกนะแต่เราอย่าไปคิดอยากอยากจะให้มันเป็นอีกนะเราไม่ต้องคิดหรอกเอาเราทําอีกต้องต้องทําอีกไม่ใช่เราคิดอยากจะให้มันเป็นนะเราคิดทําอีกภาวนาอย่างเก้านะดูดู ด, ดูไม่ต้องคิดอยากให้มันเป็นละ จากนั้นใจิตใจของเราจะรวมเข้าไปสู่ความสงบคล้ายๆกับว่าใจของเรานี่สติของเรานี่ทันทันความรู้สึกสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวจะรู้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรเราจะรู้ว่าใจของเราคิดนึกเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้อันนี้เรียก ว, ว่าคณิุปจารสมาธิใจทัน คล้ายๆว่ารู้ใจของตนเองว่าใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรอันนี้ว่าอุปจารสมาธิจากนั้นเมื่อเมื่อเรามีความพยายามดูใจของเราลงไปไม่ให้ใจของเราไปทางอื่น ใ, ใจของเราดูความรู้สึกใจจะรวมสงบลงไปอีกในระดับหนึ่งอันนั้นเรียกว่าลงไปขาวนี้ผิดปกตินะ เ, เหมือนกับตกเหวตกบอ่อบางคนนะบางคนกขาวูบวาบบางเคียงกระดิ่งลงไปบางทีก็วาบเลิกบางทีก็เงียบ ไปเลยแต่ถึงยังไงถึงจะเงียบยังไงก็ตามสติกับจิตเนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรารู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนทีแรกนะจากนั้นพอมันเข้าไปสู่จุดนั้นแล้วนะสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้ไม่เผลนะไม่ใช่นอนหลับนะเรารู้มีสติอยู่กับตัวผู้รู้นะอยู่กับผู้รู้ แ, แต่ไม่ใช่นอนหลับไม่ได้เผลอดูกับผู้รู้ใจเป็นอันใจกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใจน่งเงียบไม่รับรู้ทางตาทางหูทางจมูดไม่รับรู้ทางเสียงภายนอกเสียงภายนอกเราจะไม่ได้ยินเลยนะเสียงฟ้าร้องฟ้าพาเสียงอะไรคู่คนอะไรก็ตามเป็นเอกเทศเงียบแต่มีสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่ประเภทนี้บางทีกขาบางคนก็ได้นานนะแต่บางคนเขาไม่ได้นาน5นาทีสนาทีมันก็ถอนขึ้นมาบางทีกั ถ้าเราพูดชํานาญแล้วก่อนั่งได้นานเป็นสมาธิได้นานแต่ไม่ใช่ได้ทุกครั้งนะแต่เราบางทีเราอยากจะให้มันเป็นมันจะไม่เป็นแต่เถ้าไม่อยากจะให้มันเป็นมันจะเป็นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายสังเกตนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยอันนี้คืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคํานี้ละเรายืนยันได้ในตัวของเราได้เลยว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูนย์ไม่ต้องถามใครนะลูกหลานนะพระเนนนะ ร่างกายกับใจเนี่ยเป็นขนละอันกันเลยล่ ะ, ะเห็นได้ชัดในความรู้สึกของเราหวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังเลยว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเนี่ยมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันคนขับรถนะแต่ร่างกายเนี่เป็นรถแต่จิตใจตัวผู้รู้นมามธรรมตัวนึกคิดนะคือคนขับรถนะแต่พระพุทธเจ้าให้ความสาคัญคนขับรถมากกว่ารถ ท่านจะว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนะอันนี้ให้พวกลูกคณะพวกลูกหลานทั้งหลายนะให้ความสำคัญเรื่องเรื่องของใจเเห็นเห็นใจตัวเองเลยเตัวนี้แหละพาไปเกิดในพพภูมิต่างๆจะไปสวรรค์ชั้นฟ้าไปนรกหมกไหมไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉนก็คือเนี่ยตัวผู้รู้คือใจตัวลวงนี้แหละ ออกจากร่างนี่อันไี้แหละวิธีนั่งสมาธิแต่บางท่านบางคนก็พอนั่งเข้าไปแล้วมันไม่อยู่ครับมันออกมันเผลอบ่อยๆเอาเราก็สามทับภาวนาพุโทโธทีถีด้วยนะเอาวิธีการนะเราเวลาเรานั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมันยังเผลอได้เราบริกรรมพุโทโธให้ถีดูสิพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาใจของเราเนี่ยสาทับเลยเอาพุโทโธให้ถียบ ไม่ให้มันเผลออันนี้ก็คือวิธีการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อได้ทดลองปฏิบัติดูหลวงพ่อว่าเอ่อทดลองนับดูสิหลวงพ่อนี่อันนี้หลวงพ่อแนะนำนะหลวงพ่อแนะนําพ่อลูกพ่อหลานน้องนูงทั้งหลายเวลานั่งภาวนาถ้ามันเผลอออกไปบ่อยหรือศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันเวลานั่งภาวนาให้พวกเรานับนะหลวงพ่อว่านับมันจะเห็นได้ชัด เห็นได้ชัดเวลาหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4 5, 6, 7, 8เนับแต่อย่าไปเกรงอย่าไปกลึงนะให้เป็นธรรมชาติที่สุดในขณะที่นับนะนับถึงร0 0ถ้ามันไม่เผลอแล้วก็กลับมานับ1ไใหม่อีกแล้วก็นับไปถึงร0 0หลวงพ่อว่าถ้านับถึงร้อยหลายๆครั้งแล้วก็เออยังค่อยมาพุทธโทจะอยู่นะจิตใจจะไม่เผลอนะ แต่ถ้าเรามันเผลอมันเผลอยังไงในขณะที่นับนะหายใจเข้านะเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่1คี่ขี้2คู่3าขี้4ี่คู่5คขี้6คู่นะมันขี้คู่ขี้คู่ขี่คู่ไปถึงร0 0ยนะแต่ถ้าคาว่ามันเผลอนะพอมันเผลอเข้ามาทีนีเอ่อมันจะคู่ขี้ะทีนะี่หายใจเข้าเป็นคู่หายใจออกเป็นขี้แสดงว่ามันเผลอบางคนยังไม่นับไปถึง10ซะด้วยซ้าไปนะ มันเผลอแล้วไม่รู้ว่ากี่ครั้งเราก็ต้องตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกมันทําไมมันเผลอวะมันเผลอในช่วงไหนวะเออเขาก็หายใจเข้านับหนึจนถึงร้อยถ้าถึงร้อยไม่เผลอเลยใช้ได้แล้วแต่ถ้าว่าเราเผล อ, อบ่อยๆไม่เป็นผลดีนะคณะาจารย์โยมลูกหลานนะถ้ามันเผลอบ่อยๆอันใสมอร์เข้ามาเยี่ยมง่ายง่ยเผลอๆ เ, เป็นบ้ า, เ ป, บาเป็นบอไปอีกต่างหากเพราะสติเราขาดนะ เออไม่มีสติไม่ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติเออเวลาเราฝึกเรานั่งภาวนาะคือเราฝึกสตินะให้อยู่กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านอันนี้ก็คือการวิธีสมนะัติธรรที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังสมถะคือสมถะคือทําจิตใจให้สงบเออถ้าเราทําจิตใจให้สงบได้เพียงแค่นี้กันเี่แหละเลิศประเสริฐแล้วนะในหลักของพระพุทธศาสนาบุญกุศลมหาศาลแล้วให้ทานร้อยครั้ง รักษาศีลร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาทาจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อ, อสมถะแต่ส่วนวิปัสสนานั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พิจารณาร่างกายนะพิจารณาร่างกายเนอ้อถ้าพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนท่านให้กรรมาฐานห้าก่อนเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดุกแต่เราจะทำยังไง หลวงพ่อและครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อแนะนาท่านบอกว่าให้ชำแหละดูนะให้ชาแหละเป็นกองกองเกสาผมถอนผมไว้กองหนึ่งโลมาขนถอนขนไว้กองหนึ่งหนาขาเล็บถอดเล็บไว้กองหนึ่งทันตาฟันถอดฟันไว้กองหนึ่งตะโจหนังชำแหละถลกหนังไว้กองหนึ่งมังสังเนื้อเอาเนื้อไว้กองหนึ่งเ อ, อเอ็นไว้กองหนึ่ง กระ ด, ดูกไว้กองหนึ่งตับไว้กองหนึ่งปอดไว้กองหนึ่งใจไว้กองหนึ่งอวัยวะแต่ละส่วนนันส่วนนับว่าเป็นกองกองกองกอเหมือนกับชําแหละอาจารย์ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแหะที่หมอเขาชําแหละร่างกายของคนตายนะเขอาจารย์ใหญ่ในโรงพยาบาลเขาชําแหละว่ามีอันนั้นเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรเขาเรียนวิชาแพทย์วิชาหมอแต่นี่เราเรียนให้ให้รู้ว่าร่างกายของคนเรามีอะไรบ้าง เขาเรียนหมอเขาเรียนอย่างอื่นแต่เราเรียนวิชาพุทธศาสนาเรียนเพื่อความให้เบื่อหน่ายคายร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราในะใจนะจากนั้นเราเอาใจเนะี่ยดูอันนั้นผมมันเป็นเราใช่ไหมขนเป็นเราใช่ไหมเล็บเป็นเราใช่ไม้มหนังเป็นเราใช่ไหมยใ้าๆให้ถามใจตัวเองเถอะเมื่อไปเห็นพอจำเรศลงแล้วเนะ่ยร่างกายของเราลงไปสู่เป็นกองกองอย่างนั้นแล้วเป็นของเราใช่ไหมใจของเราก็อืถ้ามันรวมกัน มันก็เป็นของเราถ้าเป็นชำแหละอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นเออเป็นผมเป็นขนเป็นเนื้อเป็นเล็บเอ่อเป็นฟันเป็นกระดูกเออมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของพร้อมที่จะไปสู่ดินน้ำหลงไฟแล้วไม่ใช่ของเราเนี่ยนี่แหละใจถามใจแล้วนัถึงใจอย่าไปหลงนะขนาดร่างกายของเราเนี่ยของเรานี่ยละมันเป็นอย่างนั้นนะต่อไปใจยอมรับไหมถ้าเราตายไปแล้วเขาชำแหละ เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใจ ez? เป็นไหมมันต้องเป็นใชเออเป็นใจร่างกายของเราเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเมื era era era era era era era era ่อร่างกายเป็นอย่างนี้ร่ era era era า, างกายของเรามันไม่ใช่ของเราใช่ไหมใจที่พระพุทธเจ้าว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ของเราเนอจริงไหมมันก็ยอมเราบอกใช่ร่างกายมันไม่ใช่ของเราอีกสักวันนึ่งข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าวัดไหนเราจะต้องทิ้งร่างกายของเราทั้งร่างทั้งหมด เอาเขาเอาไปเผาไฟทิ้งเราไม่ใช่เอาไปเผาเราคนอื่นเขาไปเผาไฟคนอื่นเขาไปฝังดินคนอื่นเขาจะไปที่ไหนก็สุดแท้แต่เพราะมันเราตายแล้วเนี่ยพอในสุดเนี่ยขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราในใจนะเมื่อของร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนสลาหลังนี้จะเป็นของหลวงพ่ออินได้ยังไงวัดอันนี้วัดมาลาคำน้อยนี่จะเป็นของหลวงพ่ออินได้ยังไงขนาดร่างกายหลวงพ่ออินยังไม่ใช่ของหลวงพ่ออินนะอันนี้ก็เบื้องดูแล้วจะไง ทุกสิ่งทุกอย่างยศถาบรรดาศักย์เงินคําทรัพย์สมบัติเลือกสวนไรน่นาญาติโกโหติกาสัาาตชาญาโจมมันไม่ใช่ของเราทั้งมันเราอยู่ด้วยกันเพียงพึ่งพาอาศัยกันชั่วครั้งชั่วข่าวอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราเราอย่าไปลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นนะใจเน้สอนใจใจพอรู้แล้วก่อนนี่แหละรู้แจ้งเห็นจริงก็เกิดความ นิพพิธาคือความเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายตนไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายคนอื่นไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกทั้งปวงเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายจิตใจก็คลายไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจก็หลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละสรุปแล้วก็คือมรรคผลนิพพานไม่ได้หาที่ไหนนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนะ อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละอยู่ที่ใจเบื่อหน่ายที่ใจหลุดพ้นที่ใจรู้ที่ใจหลงอยู่ที่ใจหลงก็หลงที่ใจรู้ก็รู้อยู่ที่ใจเพราะนั้นขอให้พวกเราภาวนาเนะพระเนนทั้งหลายภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเวลาเดินยังกลมกับขาขวาพดขาซ้ายโทรหาโอกาสหาเวลาช่วงว่างๆช่วงเงียบๆค่วงสงบๆภาวนาและตั้งจิตทวิฐานให้แน่วแน่เลยเออ ข้าว่าเรามองดูแล้วโลกนี้เราเคยผ่านมาแล้วมันไม่มีอะไรเรามองไปข้างหน้าใครล่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีแต่ใครล้มหายตายจากไปเอาเถอะชีวิตของข้าไปเจ้าในชีวิตนี้ข้าไปเจ้ามองดูแล้วอแล้วก็มองไปทางหน้าแล้วไม่มีอะไรที่เป็นสาระของชีวิตในชีวิตนี้ข้าไปเจ้าจะหมอบกายถวายชีวิตข้าไปเจ้า ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นและเลิกได้หรือไม่ลเลิกได้ก็ดีข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตเป็นอาจินเป็นตลอดไปเนีเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยข้าพเจ้าจะเนีพพ่ยจะเชิดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดยึดหลักเหตุผลเท่านั้นเป็นเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอยู่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่มีทางอื่นเอ้นอกจาก สมณะเพศนี้เท่านั้นข้าพเจ้าจะมอบกายตายกับเพศสมณะเพศนี้เท่านั้นเพราะว่าข้าพเจ้าออกไปเป็นคารวาสกันเนอดูสิเป็นยังไงเราเป็นพระเนี่ยเราเป็นยังไงเรากินวันละมือ้อพอถึงวันตายเท่านั้นเราจะประกอบคุณงามความดีเราจะสังสมแต่คุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีที่มันเลวที่มันไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัย เราจะไม่ทําโดยเดนะ็ดขาดนี่ยอยากจะให้พระเนนลูกหลานดูสิอย่างที่หลวงพ่อแนวให้ฟังนี่นะให้ยึดยึดไปฟังฟังดูสิ เ, เป็นไหมหลวงพ่อเนี่ยเอาอย่างนั้นนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเพราะหลวงพ่อชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในพระพุทธศาสนาได้เ่ยหลวงพ่อมีความตั้งใจนะมีความสัตย์จริงนะเด็ดขาดในจิตใจหลวงพ่อจึงได้อยู่ได้ในศาสนา ถ้าไม่งางนั้นไม่ได้นะลูกหลานนะเป๋ซ้ายเป๋วขวาเป๋หน้าเป๋หลังเหมือนขี่เล่าผลที่โชก็เลยนะ่ะตายออกจากเพศธรรมะออกจากพระไปเพราะเหตุไรเพราะความ อ, อไม่เด็ดขาดความไม่จริงจังและไม่จริงใจแต่ถ้าเราจริงจังและจริงใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเนี่ยนะดูสิดูด้วยเหตุด้วยผลดูหมดทุกอย่างพิจารณาการกลองไต่ตองแล้วก็ตัดสินใจเลยเด้วยสัจจะเลยเ อ, อนี่แหละถ้าพวกเราทําอย่างนั้นได้ คือมันไหลไปช่องเดียวเดนยะ อ, อจิตใจของเราไหลไปช่องเดียวเ อ, อเราจะมองเห็นมักเห็นผลขึ้นมาในจิตในใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นเนะเอยมันพลาดเนี่ยเมื่อกับเป็นฆราวาสจะเป็นพระหรือจะเป็นอะไรดีถอยหน้าถอยหลังเมื่อกับคนขี้เล่าโยกซ้ายโยกขวาอย่างนั้นแนะ่ละแต่ถ้าว่าพวกเราจริงจังและจริงใจนยะตัดสินใจพวกเลยเอา้าข้าพเจ้าจะเอาอย่างนี้ เอนี่แหละจากนั้นมาแล้วก็หยุดเลยหยุดคิดเลยเรื่องอย่างอื่นเราต้องเป็นพระในชีวิตนี้ชีวิตนี้เราต้องเป็นพระนะชีวิตก่อนๆเราเป็นฆราวาสมาแล้วชีวิตต่อไปเราไม่ว่ากันชีวิตนี้ขณะนี้เราจะต้องเป็นพระเพราะเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะออยากจะให้พระเนลูกหลานทุกคนนะให้ให้จริงจังและจริงใจ อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะหลวงพ่อเนี่ย เคยเจอเคยผ่านมาแล้วหลวงพ่อเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่ากีเลทมันตีกี่ตลบนะหลวงพ่ออะไรตั้งสัจจะสู้เลย น, ะนั่นแหละหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่เป็นเนรอายุ11อย่าง12ปีบวชปี 2,500 นะลูกหลานนะปีปวดปี 2,500 จากนั้นปี08บวชเป็นพระพอบวชเป็นพระอยู่กับหลวงปู่ล่าอีกพรรษาหนึ่งเป็น9ปีอยู่กับหลวงปู่ล่านะแปีเป็นเนนอยู่8ปีเป็นพระอยู่9ปี จากนั่งจำพรรษาหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาหนึ 1, ่งพันษาจากนั้นก็ไปจปําพรรษาทางเชียงใหม่หลวงปู่แหวนอีกหพรนษาแล้วกลับมาอีกมาจำพรรษาที่ห้วยไซอหนึ 1, ่งพันษาเป็น 4, สพันษาจากนั้นก็ได้ลาจากหลวงอานไปอยู่ใหม่ขึ้นมาเที่ยวทุรงกรรมฐานทางอุรานไปอยู่กับหลวงตามหาบัวตั้งแต่ปี2 5ง2จนถึง2อ2 5 เป็นเวลา14ปีอยู่องค์หลวงตานะจากนั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่และลูกหลานนั่นแหละชีวิตของหลวงพ่อเดี๋ยวนี้หลวงพ่อพรรษาเท่าไหร่นี่แหละพรรษาที่50แล้วลูกหลานนะเป็นพระเนี่ยหลวงพ่อบวชมา50พรรษาเนี่ยพรรษาที่คาอยู่นั่นอนะ่ะห้บเอ่อบวกพรรษา8เข้ออีกออลูกหลานว่าเท่าไหร่ห้ปนะีชีวิตหลวงพ่อ70ปนะีอยู่ในพระพุทธศาสนาห้าสิปปีนี่แหละ ชีวิตของหลวงพ่อทั้งชีวิตน้าลูกหลานนะหลวงพ่อเสียใจโอ้โหหลวงพ่อภาค ภ, ภูมิใจอย่างมากเลยเมาถึงจุดนี้หลวงพ่อภาคภูมิใจอย่างมากไม่มีอะไรที่จะทําให้จิตใจวันไหวไกวแข่งอีกไม่นานเอาถึงข่าวหลือข่าวตายก็าตายทุกคนก็เกิดมาตายด้วยกันทุกคนนั่นแหละนั่นแหละอยากจะให้พระเนรลูกหลานทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเป็นหมาจอกหางด้วนให้หมูตัดถางด้วยไม่ใช่นะ อหลวงพ่อมันมีอะไรอย่างพวกเราเห็นลูกหลานได้เห็นอมีความทุกข์อะไรนหลวงพ่อบอกได้เลยว่ามีความสุขอยู่ในจิตใจนะเมื่อเราเป็นนักพจนนักบวชอย่างนี้นะและอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายเมื่อตัดสินใจเป็นนักพจนักบวชก็เป็นทำความดีด้วยนะอไม่ใช่ว่าทําความเลวนะถ้าความเลวนะไม่ดีนะ่ะอใจร้อนทําความไปความเลวความชั่วช้าเสียหายแต่ใจร้อนนะไม่ดี ดังนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายเนะี่ยให้ ป, ปฏิบัติในศีลในธรรมวันนี้หลวงพ่อเองได้กล่าวเบื้องต้นบอกกับคณะสัตยาญาติโยมการวางตัวการปฏิบัติตนกับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานและก็ช่วงกลางมาก็ได้กล่าวถึงน้องลูงพระเนรุลูกหลานทั้งหลายให้ตั้งตนตั้งตัวเป็นพระที่ดี ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นของพวกเราให้ยึดแนวแถวหลวงปู่มั่นให้มั่นคงคืออันนี้คือสายพระอระหันต์พูดง่ายๆ่าเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราให้มั่นใจในในแนวแถวปฏิปทาที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราศึกษาด้วยสิถ้าพวกเรายัางไม่มั่นใจก็ให้ศึกษาดูอหลวงพ่อเนี่ว่า สายของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยของเราเนี่ไม่มีสิ่งไหนที่น่าตำหนิมีแต่สิ่งที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงต่อตรงต่อหลักพระธรรมวิ น, นัยไม่ผิดเพี้ยนต่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าการพูดการแสดงแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา